เชา้านะได้พูดไปแล้วว่าความทุกข์ที่มันก่อกุมจิตใจของผู้คนส่วนหนึ่งมันก็มาจากสัญชาตญาณหรือความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปนั่นะคือความรักสุขเกลียดทุกข์ไม่ว่าจะเป็นรักสุขหรือเกลียดทุกข์นี่มันก็ทำให้ เกิดความทุกข์มากกกลุ่มจิตใจเพราะว่าความสุขที่เรารักเนี่ยไม่ว่าจะรักแค่ไหนรวมไปถึงสิ่งที่ให้ความสุขแก่เราไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตพอไปรักเข้าแล้วเนี่ยก็เกิดการยึดตอนนี้สิ่งที่ยึดนั้นเนี่ย มันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงเลยความรู้สึกสุขก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันก็ไม่เที่ยงถึงเวลาที่มันเสื่อมไปสลายไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความเศร้าโศกเสียใจยิจ่งรักมากเท่าไหร่ก็เสียใจมากเท่านั้นส่วนความเปียกทุกข์นี่ก็ไม่ต้องอธิบายมากนะ ตัวทุกเองเนี่ยเจนความเจ็ความปวดความเมื่อยที่จริงนี่มันอาจจะพอทนได้หรือว่าเสียงที่กระทบหูอาจจะพอทนไหวกลิ่นที่ได้รับรู้ก็ยังพอทนไหวแต่พอเกิดความเกลียดความชังแล้วเนี่ยนะมันก็ทําให้อยู่ไม่เป็นสุขเลย บางทีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีหรือว่าความปวดความเมื่อยเนี่ยมันไม่สร้างปัญหาให้กับจิตใจของเราเท่ากับความรู้สึกเกลียดมันเพราะว่าพอเกลียดแล้วนี่มันก็ทำอะไรที่อ่ที่อาจจะเลวร้ายก็ได้เคยเปรียบเทียบไว้นะเหมือนกับลิงเนี่ยลิงเนี่ ย, ยมัน เกลกระปิและพอมือมันถูกระปิเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเอามือเอานิ้วถูกับหินบ้างถูกับเปลือกไม้บ้างยิ่งถูเท่าไหร่ก็มันก็ยิ่งถลอกพอถลอกมากๆนี่ก็เป็นแผลเลือดไหลเป็นแผลแล้วก็ยังไม่เลิกถกูเพราะว่ายัางได้กลิ่งกระปิอยู่คําถามคือว่าที่ลิงเลือดไหลที่ลิงมีแผลเนี่ยเป็นเพราะอะไร ถ้าตอบว่ากะปินี่ก็ไม่ถูกนะจริงๆต้องตอบว่าความเกลียดกะปิความเกลียดกะปิและความอยากจะให้ควา ม, ำำำำวามไอกลิ่นกะปิมันหายไปกะปิไม่ทําให้เลือดไหลแต่ความเกลียดกะปิต่างหากที่ทําให้เลือดเนี่ยมีแผลดังสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันไม่สร้างปัญหาให้กับเราเท่ากับความเกลียดสิ่งนั้นฟังดีๆนะสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยบ่อยครั้งมันไม่สร้างปัญหาให้กับ เราเท่ากับความเกลียดสิ่งนั้นสิ่งที่เราเกลียดมันอยู่ภายนอกแต่ความเกลียดมันอยู่ภายในใจได้ตัวนี้แหละที่มันทำให้อยู่รอดนอนทุกข์เพราะฉะนั้นความเกลียดทุกข์นี้ก็เป็นที่มาของความทุกข์ไม่ใช่น้อยถึงแม้ว่าในด้านหนึ่งมันพยายามมันเป็นตัวผลักตัวขับเคลื่อนให้เราหนีห่างจากความทุกข์หนีห่างจากปัญหาหนีห่างจากความหิวความโหย ความร้อนอันตรายต่างๆข้อดีของมันก็มีแต่ข้อเสียคือว่าถึงเวลาต้องเจอเพราะวันนี้ไม่พ้นแล้วนี่มันก็จะเกิดอาการทุรนทุรายขึ้นมาทันทีเข็มฉีดยาเนี่ยมันก็เจ็บอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดไปกลัวเข็มด้วยนี่ความกลัวก็ความเจ็บก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าเขาเคยมีการศึกษาเพราะว่าเนี่ยคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยพอโดนเข็มฉีดยาจิ้มเข้าไป จะมีความสึกปวดมากกว่าคนที่ไม่กลัวเข็มเนี่ยเป็นสามเท่าก็หมายความว่าความกลัวนี่มันทําให้ความเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพิ่มสมทบกับของเดิมที่เจ็บเจ็บกายอยู่แล้ว1ส่วนเพิ่มเข้ามาอีกสส่วนก็เป็น3มส่วนตัวเข็มเองนี่ ทำให้เราทุกข์แค่นหนึ่งแต่พอมีความกลัวนี่ทำให้เกิดความทุกข์ความเจ็บความปวดเป็นสามจึงบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยมันไม่สร้างปัญหาให้เรามากเท่ากับความเกลียดความกลัวในเมื่อต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ควรจะวางใจเป็นกลางกับมันนะไม่เกลียดไม่กลัวมันยอมรับมันในทางตรงกันขนะ้สิ่งที่ชอบ สิ่งที่มันให้ความสุขเราฉันที่จะหลงรักมันก็ลองนะทำใจใเป็นกลางดนะูก็คือไม่ชอบไม่ชังไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างที่เราสาธิยามาสักคู่เนี่ยนะนะสติปัฏฐานนักศึกาเนี่ยให้มีความเพียรขึ้นควากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียจได้ทำไมต้องถอน ก็เพราะพอใจก็ทําให้ทุกข์ไม่พอใจก็ทําให้ทุกข์ไม่พอใจนี่มันชัดอยู่แล้วว่าทุกข์หลวงพ่อชาทติเปรียบว่าความทุกข์เนี่ยมันเปรียบเหมือนกับหัวงูส่วนความสุขที่ผู้คนยินดีก็เปรียบเส ม, มือนกับหางงูไปจับหัวงูงูก็กัดไปจับหางงูถ้าไม่รีบปล่อยไ ม, ไม่รีบวาง มันก็แหวงกัดเหมือนกันนะพูดง่ายคือว่าแม้แต่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็สามารถจะทําให้เป็นทุกข์ได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะช้ากว่าตัวความทุกข์เองแต่ไม่ว่าจะเป็นทุกข์รู้สุกนะก็ก็ต้องวางนะนะถ้าเราให้การถอนความพอใจและความไม่พอใจในลกออกเสียได้นี่ก็คือการทําให้ใจนี่เป็นกลางๆ สิ่งที่ให้ความสุขก็ไม่ยึดสิ่งที่ให้ความทุกข์ก็ก็ไม่ผักไสพราะความผักไสนี่ยก็เป็นความติดยึดแบบหนึ่งเหมือนกระเลงเนี่ยมันเกลียกกระปิมันไม่ชอบกลิก่นกระปิแต่พอมันมันขัดมันถูนิ้วกับหินกับเปลือกไม้ทีไรมันก็อดไม่ได้ที่จะเอานิ้วเนี่ยมาดม ดมหาอะไรดมกลิก่นกะปิไม่ชอบกินกะปิแต่ทําไมชอบดมยิ่งผักใสก็ยิ่งจดจ่อใส่ใจไม่ใช่ลิงอย่างเดียวคนก็เหมือนกันจมือเรานิ้วเราถูกปลาล้าถูกอ่าสีหรือว่ากลิ่นเหม็นเช่นน้ําปลาเนี่ยเราไม่ชอบเราก็พยายามล้างมือเช็ดนิ้วเสร็จแล้วจะทำงานเราก็เอานิ้วมาดมว่ามีกลิ่นหรือว่าก็รู้ว่าก็ไม่ชอบ นะกลิ่นนั้นแต่ว่าทําไมชอบดมยิ่งเกียดอะไรก็ยิ่งคิดถึงสิ่งนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่ายิ่งผลับไสก็ยิ่งยึดติดนะให้การวางใจเป็นกลางนะกับกับสิ่งที่เป็นบวกหรือเป็นลบนี่ก็คือหลักข้อหนึ่งนะของการปฏิบัติของการเจริญสตนะิเวลาเราเจริญสติมันก็มีความคิดและอารมณ์ต่างๆมากมายนะหลวงพ่อมังคีนันสอนว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่าง นะคิดดีก็อย่าไปโผล่อย่าไปโถมเข้าหาอย่าไปครอเคลียคิดไม่ดีก็อย่าไปผักใส่นะช่างมันผู้งานาคือวางใจเป็นกลางนะรู้ซื่อคือวางใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีความสศกมีความปิติก็ไม่เพลินไม่หลงไหลมีความฟุ้งความเครียดก็ไม่เครียดไม่ผักใส่นะไม่รังเกียจต้อนรับทุกอย่างด้วยใจเป็นกลาง ไม่มีทั้งผลักสแล้วก็ไฟหาหรือไขว่คว้าในะหม่ๆก็ทำยากนะเพราะว่าธรรมชาติของใจเจอความสุขก็รีเข้าหาไม่ว่าความสุขทางกายหรือความสุขทางใจพอเจอความทุกข์ใจก็ผลักสเช่นความโกรธความเครียดความเบือ่อแต่ว่าถ้าเราฝึกเจริญสติไปเรื่อยๆนะมันก็จะใจก็จะวาง เป็นกลางได้ธรรมชาตก็ได้พูดนะว่าไอ้ความทุกเนี่ยนะมันเกิดจากความปรุงแต่งความชอบความชังความยินดีความยินร้า ย, นายเนี่ยคือความปรุงแต่งมันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นชอบเป็นชังเป็นฟูเป็นแฟบเป็นบวกเป็นลบและที่ชอบก็เพราะว่าให้ค่าเป็นบวกไม่ชอบหรือชังก็เพราะาให้ค่าเป็นลบนะการตีค่าการให้ค่าเนี่ย ก็เป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งให้ค่าว่าดีไม่ดีสั้นยาวน้อยมากขาวดำนะถูกไม่ถูกไอพวกนี้เป็นเรื่องการให้ค่าการตีค่าจะว่าเป็นเรื่องสมมุติก็ได้แล้วที่ให้ค่าตีค่าอย่างนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมีตันหาเป็นตัวอยู่เบื้องหลังอย่างที่ยกตัวอย่างหลว่าิชาว่าเนี่ย ไอ้อ ไ, มอไม้ที่ถือเนี่ยกิ่งไม้ที่ถือเนี่ยในมือถ้าเราต้องการกิ่งที่ยาวไอ้ไม้ที่ถือก็เรียกว่าสั้นถ้าเราต้องการไม้ที่สั้นไอ้ไม้ที่ถือก็กลายเป็นยาวไม้บรรทัดมันมีทั้งสั้นและยาวอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรจากมันถ้าเราต้องการใช้เคลียร์บางสิ่งบางอย่าง มันก็กลายเป็นสั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมาแยงหูนะมันก็อาจจะกลายเป็นยาวไปไม่เหมือนมันไม่ไม่เหมือนกับไอ้แมไม้ที่ใช้เขี่ยหูแค่ขี้หูนะงั้นไอ้ความอยากของเราตันหาเนี่ยมันก็ นำไปสู่การตีค่าว่าดีไม่ดีสั้นยาวนะคำ ว, ว่าดีเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราด้วยรสเปรี้ยวเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในน้ำแกงอย่างเช่นต้มยำก็ถือว่าดีแต่ถ้ารสเปรี้ยวมันอยู่ในไอติมมันก็เป็นไม่ดีไปสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับความอยากของเรา ขึ้นอยู่ความคาดหวังของเราไปกินก๋วยเตี๋ยวริมถนนนะสาบาทเอออร่อยแต่อีรสชาติอย่างเดียวกันถ้าไปกินในเหลาในร้านพัตตคารจานละ300400เนี่ยมันกลายเป็นไม่อร่อยไปซะละเพราะอะไรเพราะความคาดหวังของเรามันต่างกันระหว่างความคาดหวังจากการกินร้านแผงลอยกับการกินร้านพัตตคาร เมื่อเราไปกินของที่ร้านพัตตคารร้านหรูจ่ายจาละส0มร0อแล้วก็คาดหวังสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อร่อยจากอาหาร30บาทเนี่ยมันกลายเป็นแม่อร่อยไปแล้วนะเมื่อเราไปกินในเราในร้านหรูพัตตคาราความคาดหวังเราเป็นตัวเป็นตัวกาหนดเป็นตัวตีค่าว่าดีไม่ดีอร่อยแม่อร่อยซึ่งก็นำไปสู่การชอบการชัง ความยินดีความยินร้ายความพอใจไม่พอใจน่จาจกความคาดหวังนอกจากตันหาของเราหรือความอยากของเราแล้วเนะี่ยไอ้การเปรียบเทียบก็เหมือนกันนะการเปรียบเทียบนี่ก็แน่ชัดอยู่แล้วนะของที่มากกลายเป็นน้อยของที่น้อยกลายเป็นมากสิบบาทนี่ก็ถือว่ามากนะเมื่อเทียบกับหนึ่งบาทแต่ร้อยบาทนี่กลายเป็นน้อยเมื่อเทียบกับพันบาท สิบาทนี่มันก็น่าจะน้อยกว่าร้อยบาทนะแต่ว่าถ้าเอาสิบบาทไปเทียบกับ1บาทนี่มันกลายเป็นมากร้อยบาทไปเทียบกับหนึ่งพันมันกลายเป็นน้อยเงินที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลนะหรือว่าโบนัสนะหรือแม้จะเป็นถ้าเป็นแสนอาจจะดูมากนะแต่มันกลายเป็นน้อยเมื่อพบว่าเพื่อนเขาได้สองแ 0,000 น แล้วเราก็ไม่พอใจเกิดความยินร้ายขึ้นมาแต่แล้วก็ทุกเนี่ยไอกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะการให้ค่าก็ดีซึ่งนําไปสู่ความมากความรู้สึกว่ามากหรือน้อยสั้นหรือยาวและนําไปสู่ความยินดียินร้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องว่าเป็นการปรุงแต่งปรุงแต่ ง, ง, ตงนะการเปรียบเทียบก็เป็นการปรุงแต่งความคาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นการปรุงแต่ง หรือว่าการความอยากนะเรกว่าตันหามันก็เป็นความปรุงแต่งซึ่งในสุดก็นาไปสู่ทุกขนะ์และทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็มีล่างเงาไปไปที่ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนะความรู้สึกอยากเวลาอยากเนี่ยก็คืออยากมาเป็นอยากให้มาเป็นของเราอยากให้เราได้เศษนะ มันจะมีตัวกูของกูเนี่ยเป็นตัวแกนอยู่เสมอในความอยากนั้นในความคาดหวังนั้นรวมทั้งในความเปรียบเทียบด้วยฉนั้นไอตัวกูของกูนี่มันมันเป็นการปรุงแต่งที่เป็นร่างเงาของความทุกข์เลยกระบวนการปฏิจจสมุป บ, บาทนะปฏิจจสมุป บ, บาทที่ว่านี่ถัดสะแล้วนําไปสู่เวทนาและเวทนาก็ทําให้เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติ ไอ้ตรงนี้เราเรืยกวการปรุงแต่งนะพอปรุงแต่งว่ามีตัวกูขึ้นมาแล้วนะชาติเกิดขึ้นแล้วชราหมรณะก็ตามมามีความสึกว่าฉันเป็นคนเก่งนะเพราะว่าสอบได้ที่หนึ่งของจังหวัดแต่ว่าพอไปไปเข้าโรงเรียนเตรียมนะกลับไปอยู่กลับได้ตําแหน่งที่ท้ายๆเพราะว่าโรงเรียนเตรียมนี่มันมีคนเก่งกว่าเยอะ ได้ที่หนึ่งจากจังหวัดนะแต่พอไปสอบไปอยู่ชั้นเตรียมอุดมโรงเรียนเตรียมก็ได้ทีท้ายๆก็รู้สึกเป็นทุกข์ละเพราะรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนเก่งนะคนสวยก็เหมือนกันนะคนสวยนี่นะพอไปเจอคนที่สวยกว่าก็เกิดชรามรณะขึ้นนันทีเกิดความรู้สึกว่าฉันเป็นคนไม่สวยนะฉันอ้วนไปบ้างผิวฉันคล้ำไปบ้าง จะแล้วเกิดอะไรขึ้นมาทุกโทมนัดอุปายาตนะความรับแค้นใจนะความร่ำไรรำพันนะใ้กระบวนการปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นที่มาของความทุกข์นะความทุกข์ใจอันนี้จะทำอย่างไรนะวิธีแรกคือหยุดการปรุงแต่งซะตรงนี้แหละสติสำคัญมากนะเมื่อเมื่อมีผัสสะคือตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงแล้วเนี่ย มันเกิดเวทนาขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะสุขเวทนาทุกขวเวทนาหรือทุกขะมุขเวทน า, ร า, ทนาตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีสติในขั้นเวทนาเนี่ยมันก็ไม่ปรุงแต่งเป็นตันหาอุปาทานเนมื่อเรามีสตินะมันก็จะมีไม่มีความชอบความชังนะ้าเรถอนความยินดี ถอนความพอใจและความไม่พอใจในแล้วจัออกเสียได้เนี่ยอย่างที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือทาให้เกิดความรู้สึกเป็นกลางสติทำให้สักแต่ว่าเห็นเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อได้กลิน่นสักแต่ว่าได้กลิน่นอันนี้เป็นงานของสติสติมันทำให้เป็นแค่สักแต่ว่าไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งเป็นความชอบความชังเถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเนี่ยเราก็ต้องหาทาง เอาสตินี้เข้ามาช่วยเพราะเมื่อมีสติจิตเนี่ยมันจะเมื่อมีสติอยู่กับการทำอะไรก็ตามมีสติอยู่กับการเดินมีสติอยู่กับการนั่งมีสติอยู่กับอิเรียบบทจะก็ตามเนี่ยจิตมันจะตื่นมันจะเต็มอยู่กับการกระทำนั้นๆมันไม่เปิดช่องให้เกิดการปรุงแต่งเป็นตัวตนขึ้นมามันไม่เปิดช่องให้มีการ ปรุงแต่งเป็นด้วยการให้ค่าว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีสั้นยาวจิตมันเต็มตื่นเนจิตมันอยู่กับปัจจุบันจิตมันไม่ไปคิดถึงอนาคตไม่ไปกังวลกับไม่ไปกังวลกับอนาคตไม่ไปคิดเปรียบเทียบกับอดีตเมื่อวานนี้นะปฏิบัติได้ดีเหลือเกินจิตสงบเป็นสมาธินะวันนี้มาปฏิบัติใจรอยู่กับปัจจุบันเราก็ลืมล้วก็วาง ความรู้สึกดีๆของเมื่อวานนี้ลงพอถ้าเกิดเราไม่วางเรามีการเปรียบเทียบกันมันก็จะเกิดความอยากว่าอยากจะปฏิบัติให้ได้ความสงบอย่างเมื่อวานไละความอยากอย่างนี้แหละที่มันทำให้ปฏิบัติไม่สงบละยิ่งอยากก็ยิ่งไม่ได้พอไม่ได้ก็ทุกเนี่ยเพราะมันไม่สมหวังกลายเป็นความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมานักปฏิบัติหลายคนทุกนะเพราะว่าไปคิดเปรียบเทียบ ระหว่างเมื่อวานกับวันนี้เมื่อวา น, นนี้ดีทําไมวั น, นนี้ไม่ดีนะไอ้ที่ไม่ดีก็เพราะความอยากที่จะให้มันดีแบบเมื่อวานนั่นแหละนะมันทําให้เป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เราเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะเพราะมันมีการเทียบเคียงแต่ถ้าจิตเราอยู่กับปัจจุบันนะจิตเราตื่นเต็มอยู่กับปัจจุบันมันไม่มีการเทียบเคียงเนะมื่อวานก็เป็นของเมื่อวานนะวันนี้ก็จะอยู่กับปัจจุบันและเมื่อจิตนี่นะ ตื่นรู้อยู่กับสิ่งที่ทําอย่างด้วยใจที่เต็มร้อยเนี่ยมันก็ไม่มีช่องว่างให้เกิดการปรุงแต่งเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อกายเดินก็รู้ว่ากายเดินสักแต่ว่าเป็นกายที่เดินเมื่อนั่งก็เป็นสักแต่ว่ากายนั่งเมื่อคิดก็รู้ว่าจิตมันปรุงแต่งขึ้นมารู้แล้วก็วางจิตไม่ยินดียินร้ายนะกับความคิดที่ปรุงแต่งเพราะว่าเห็นมัน มันเครียดมันฟุ้งอ่ะก็เห็นมันเห็นมันด้วยใจเป็นกลางแล้วมันก็สงบลงไอ้ใจที่เป็นกลางเนี่ยมันก็ทำให้การปรุงแต่งเนี่ยมันบรรเทาลงแล้วก็หายไปแล้วสติเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีความหลงเพราะว่าความรู้ตัวความหลงที่มันเป็นปฏิปักษ์กันเมื่อรู้ตัวแล้วก็ มันก็ไม่หลงมันไม่ลืมตัวเมื่อไม่ลืมตัวก็มันก็ไม่ปรุงแต่งนะไอ้ที่ปรุงแต่งเพราะลืมตัวเพราะหลงแต่ว่าพอมีความรู้ตัวแล้วเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเนี่ยไอ้ความหลงและการปรุงแต่งก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั่นจะเห็นได้ว่าเนี่ยความอ่าสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมก็ดีนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทําให้ กระบวนการปรุงแต่งมันมันไม่ทํางานเมื่อไม่ทํางานนะทุกก็ไม่เกิดนะเพราะอย่างที่บอกไว้แล้ ว, วทุกเกิดจากการปรุงแต่งแล้วที่ปรุงแต่งเพราะไม่มีสติเพราะว่าหลงเพราะาลืมตัวนี่เป็นวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งนะก็คือว่าแทนที่จะปรุงแต่งเป็นลบและทุก์ก็ลองปรุงแต่งเป็นบวกดูบ้างและการปรุงแต่งเป็นบวกเนี่ยก็ช่วยทำให้ไม่ทุกได้นะ เพราะว่าไอ้ที่ทุกข์นะเพราะมันปรุงแต่งไปในทางลบก็เยอะนะลองปรุงแต่งในทางบวกดูบ้างมันก็ช่วยทำให้หายทุกข์ได้มีคนหนึ่งเขาเล่ามาเขาเล่าว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยอากาศมันร้อนมากนะอันนี้คงจะเป็นหน้าร้อนมันร้อนจนกระทั่งว่าเขานี่ต้องไปไปนั่งอยู่ในห้องแอร์ขนาดอยู่ในห้องแอร์ก็ยังรู้สึกหงุดหงิดนะเพราะมันร้อนอ้าว แล้วสักพักนี้ก็ดินเสียงเสียงเรียกของปลายสนีปลายีขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาเรียกหน้าบ้านเขารู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเขาไม่อยากไปรับออกไปรับนะจดหมายจากปลายเสนีพอจะออกไปรับเนี่ยคือออกจากห้องแอร์ไปเจออากาศร้อนข้างนอกเนี่ยเขาไม่ชอบนะเพราะขณะอยู่ห้องแอร์ยังร้อนอยู่เลย แต่ปรายนียร่วมมีคนอยู่นะเพราะว่ารถก็อยู่ข้างในนะปลเสนียพอร่วมมีคนอยู่เขาก็เขาก็รออยู่หน้าประตูแต่คนนี้เขาไม่เรียกละเขาร้องเพลงร้องเพลงรอเพลงลูกทุง่งเมื่สุดท้ายเจ้าของบ้านนี่ก็ต้องออกไปรับนะพอรับจดหมายเสร็จก็พูดกับปรายนียว่าอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยคุณยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกเหรอมีปรายศนียก็ตอบดีนะบอกว่า ร, ร้อนร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับ ถ้ผมร้องเพลงแล้วมีความสุข <c oughs> ตัวแกนี่เหงื่อนะเหงื่อนี่เต็มตัวเลยนะเต็มโชคเสื้อผ้าเลยเพอขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าใจแก่ไม่ได้ร้อนไปกับกายด้วยไม่ได้ร้อนไปกับสิ่งว่าร้อนภายนอกด้วยเพราะอะไรนะเพราะแกร้องเพลงพอร้องเพลงใจก็เป็นสุขพอใจเป็นสุขนะมันก็ไม่รู้สึก นะร้อนไปกับแดดอันนี้เรียกว่ามีผัสสะนะมีเวทนาคือทุกขเวทนาแล้วแต่ว่าใจไม่ทุกเลยนะเพราะว่าปรุงแต่งในทางบวกไอการร้องเพลงนี้ก็เป็นวิีก็เป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะแต่ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกในทางบวกนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ถ้าเรารู้จักใช้นะมันก็ทำให้เราไม่เดือดร้อนไปกับ ภาษาที่มากระทบหรือไม่เดือดร้อนไปกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายมีจิตอาสาคนนึงเล่าว่าไปเยี่ยมคนไข้คนหนึง่งหลังจากที่อบรมเรื่องเผชิญความตายสงบนะวันสุดท้ายก็เราก็มีต่กิจกรรมให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยหนักจิตอาสาคนนี้เกิสัก 40, 40กว่าได้50าสิบละก็ไปเจอคนไข้คนหนึงอายุสิเป็นผู้หญิง ผมเธอร่วงหมดเลยเพราะว่าเธอเป็นมะเร็งและเป็นมะเร็งสมองด้วยแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้นี่หน้าตาแจ่มใสร่าเริงชวนจิตอาสาพูดคุยโอภาปาศรีดีแถมยังชวนจิตอาสานี่วาดลูกพ่อเธอนี่ชอบวาดลูกในระหว่างที่นอนรักษาตัวอยู่เจ้าสาวก็แปลกใจเนาะเป็นมะเร็งสมองแต่ทําไมดูร่าเริง คุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกเธอปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเนีเป็นมะเร็งสมองเนี่ยสำหรับคนจำนวน ม, มากเธอเป็นโชคร้ายเป็นเคราะห์แต่ทําไมเด็กคนนี้เนี่ยกลับสามารถนะมองว่าตัวเอนี่โชคดีเพราะเธอนี่ไปเปรียบเทียบ ตัวเองกับคนอื่นที่หนักกว่านะไปเปรียบเทียบกับญ้าที่เป็นมะเร็งมดลูกแล้วเธอรู้สึกว่าเธอโชคดีอันนี้ก็เป็นการเป็นการมองในแง่บวกนะซึ่งเกิดจากการรู้จักเปรียบเทียบเ้าคนละถ้ า, ถาเปรียบเทียบไม่เป็นนะมันก็ทุกข์นะได้เงินเท่าไหร่ได้มากเท่าไหร่ก็ยังทุกข์เพราะรู้สึกว่าได้น้อยกว่าคนอื่นเพราะไปเปรียบเทียบกับคนที่ได้มากกว่านะ สวยแค่ไหนก็ยังทุกข์เพราะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่สวยกว่าแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบเป็นเนะขาเปรียบเทียบกับคนที่ทุกข์กว่าเธอนะเธอก็เลยว่าเธอโชคดีนะความรู้สึกทางบวกก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งทางบวกนะคือการรู้จักมองให้เกิดกุศลธรรมนะขึ้นในใจมันมีวิธีมองได้หลายแบบนะการมองทาให้เกิดความรู้สึกว่า สิ่งที่เราเจอนี่มันเล็กน้อยตอนที่ไปเคยไปเจอหมอคนหนึ่งที่โรงพยาบาลนความปรถมหมอคนนี้เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็เจอเด็กคนหนึ่งอันนี้จริงๆเลยเนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะก็คือว่าน้องโย่เนี่ยน้องโย่เป็นเด็กชายวัยเจ็ดขวบวันหนึ่งป้าเนี่ยก็ชวนน้องโย่เนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์ซ้อนเข้าไปในเมืองบอกว่าเจออุบัติเหตุ นะโดลรถชนมอเตอร์ไซค์นี่ยับเยินเลยป้านี่แขนหักไปข้างหนึ่งส่วนน้องโยนี่ขาเละขาเละไปข้างหนึ่งก็รีบนําส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะตลอดทางเนี่ยนะป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดหมอผ่าตัดเสร็จหมอก็ถามน้องโย ว, ว่าทําไมน้องโยไม่ร้องเลย ไม่ร้องไห้นะไม่ร้องโอดโอยน้องโยตอบว่ากลัวป้าเสียใจครับน้องโยเนี่ยเป็นห่วงป้าน้องโยเป็นห่วงป้าเห็นป้าร้องโอดโอยก็ไม่อยากเพิ่มความทุกข์ให้กับป้าด้วยการร้องครวญครางก็เลยพยายามสะกดกั้นความเจ็บปวดเอาไว้น้องโยนี่นึกถึงป้าก็เลยรู้สึกเลยว่าความเจ็บปวดของตนเองเนี่ยมันพอทนไหว คนเราถ้าเนิ่ถึงคนอื่นนะเราจะรู้สึกเลย ว, ว่าความทุกข์ของเรานี่มันเล็กน้อยแต่ถ้าน้องโยนนึกถึงแต่ตัวเองนะก็จะอาจจะครวนครางหรือร้องโอดโยยิ่งกว่าป้าสิเช่นนึกว่าเนี่ยต่อไปนี้ฉันจะเล่นบอลได้ยังไงนะฉันขายพิการแบบนี้หรือว่าถ้าฉันขากระโปกกระเพรนี้ฉันจะหาแฟนได้ยังไงแล้วคิดแบบนี้ น, น้องโยนก็ต้องทุกข์มากเลยแต่น้องโยนนี่ฉลาดในการมองก็คือนึกถึงป้า นึกถึงปลามากว่า น, นึกถึงตัวเองอันนี้ก็เรียกเป็นการปรุงแต่งเหมือนกันนะเป็นการปรุงแต่งคือไปมองนึกถึงคนอื่นที่เราคิดว่าเขาทุกข์กว่าเราหรือว่าเขามีความหมายกับกับเราอันนี้ถ้าพูดให้มันเต็มยน่นก็เรียกเป็นโยนิโสมนะสิการแบบนีโยนิโสมนสิการคือการการมองแบบแยบคายนะการรู้จักมองนะซึ่งช่วยทาให้เกิด กุศลธรรมขึ้นเป็นการมองแบบเรักกุศลการมองมี2 อ, อย่างนะคือมองตามความเป็นจริงนะกับมองเรักกุศลมองตามความเป็นจริงหรือเห็นความเป็นจริงนี่นะต้องอาศัยสติและปัญญาอย่างที่การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยไดมีตอนที่บอกว่าเนะี่ยพิจารณาเห็นกายในกายนะพิจารณาว่ากายมีอยู่แต่เพียงเป็นเพียงแค่ที่เราลึกนึกถึง เห็นกายในกายก็คือเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่เราเห็นกายอย่างที่เป็นจริงว่าไม่ใช่เราเห็นเวทนาว่าเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราเห็นธรรมว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราก็คือการมองเห็นตามความเป็นจริงส่วนใหญ่เวลาเรามองเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเราเห็นแล้วก็มีการปรุงแต่งว่าเป็นว่าเป็นเราว่าเป็นของเรา นะอันนี้เรียกว่าเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้ามีสติและมีปัญญาเนี่ยมันจะไม่เห็นแบบนั้นมันจะเห็นว่ากายก็สักว่ากายนะเวทนาก็สักว่าเวทนาอันนี้เราเห็นตามความเป็นจริงคําว่าเห็นตามจริงหรือเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจะได้ยินต่อนะอันนี้เรียกว่าเป็นการมองหรือเห็นด้วยสติและปัญญา ส่วนการมองอีกแบบหนึ่งคือการมองที่เรากุศลที่ทําให้รู้สึกดีที่ทําให้ไม่รู้สึกผักใสไม่ต่อต้านพนูดง่ายคือเป็นงานมองแง่บวกมองแง่บวกนี่ก็เป็นการมองเรากุศลอย่างหนึ่งนะมันเป็นการปรุงแต่งเหมือนกันนะเพราะมันไม่ใช่เป็นการมองหรือเห็นตามความเป็นจริงแต่ก็ไม่ได้ปรุงแต่งประเภทหลอกตัวเองนะแต่เป็นการ มองที่ทําให้เกิดการเทียบเคียงว่าเออเรายัางโชคดีกว่าเขานะเออเรายัางสบายกว่าเขานะเราแค่ปวดฟันนี่แต่คนอื่นเพื่อนนี่เขาปวดหัวเขาปวดท้องเออมันทําให้เราความทุกข์ของเรากลายเป็นเล็กนะคาว่าน้อยหรือมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการมองขึ้นอยู่การเปรียบเทียบหลายคนแค่ปวดฟันก็รู้สึกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วนะพอไปเปรียบเทียบกับตัวเองตอนที่ไม่ปวด แต่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาเกิดรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเขาไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เป็นหนักกว่านีน้อยหรือมากแรงหรือเบาเนี่ยมันอยู่ที่การเปรียบเทียบการมองเปรียบเทียบถ้ามองเปรียบเทียบเป็นเจอหนักเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเป็นเบาแต่ถ้ามองเปรียบเทียบไม่เป็นนะเป็นนีดเป็นหน่อยก็รู้สึกว่าเป็นเยอะนะไอการมองอย่างหลังนี่เป็นการบอบแบบเราอกุศลธรรมนะทำให้กลัวทําให้เกลียดทําให้ทุกข์ แต่ถ้ามองแบบเรากุศสรธรรมเนี่ยนะมันทําให้จิตใจเป็นปกติหรือว่าเป็นสุขหรือว่าพอทนได้พอทนไหวเพราะรู้สึกว่าเออเรายังเป็นเรื่องเล็กน้อยคือเราให้ฟังแล้วนะคนคนไข้ถึงเป็นมะเร็งนะแล้วก็เวลาได้รับการฉายแสงเวลาได้รับการฉีดเคมีเนี่ยเธอต้องไ ด, ได้รับโดสที่แรงมาก คนไข้คนอื่นพอได้รับโดสแรงแบบนี้นี่จะแพ้อย่างแรงแต่ว่าคนไข้คนนี้ซึ่งเป็นหัวหน้าเพียบบาลนี่แกไม่มีอาการแพ้ก็เป็นเรื่องที่คนอื่นแปลกใจก็มีการสอบถามว่าเธอทําอย่างไรนะมีอะไรดีหรือเปลา่าเธอก็บอกว่าก็ไม่ได้ทําอะไรก็เพียงแต่มองว่าเวลาฉายแสงก็คิดเสียว่าคิดว่ากําลังได้รับแสงสวรคร์เวลารับเคมีก็คิดว่ากําลังได้รับน้ําทิพย์ พอเธอคิดแบบนี้เนี่ยใจมันก็ยอมรับลังสียอมรับการฉายแสงยอมรับเคมพอใจยอมรับกายก็ยอมรับกายไม่ต่อต้านมันก็เลยไม่มีอาการแพ้ไอแพ้หรือไม่แพ้มันอยู่ที่อยู่ที่กายนะแล้วกายก็อยู่ที่ใจด้วยถ้าใจยอมรับกายก็ยอมรับได้มันก็ไม่ต่อสู้มันก็ช่วยทําให้เธอไม่มีอาการแพ้มากการที่เธอมองว่าเนี่ยเธอกาลังได้รับแสงสว่างได้รับน้าทิพย์นั่นก็เป็นการปรุงแต่ง มันเป็นการปรุงแต่งทางบวกหรือว่าคิดบวกมันก็เป็นโยนิสโสมนักสิการแบบหนึ่งนะซึ่งทําให้ช่วยละความทุกข์ได้นั้นะสูบก็เห็นว่ามันมี2วิธีนะคือว่าการการการหยุดกระบวนการปรุงแต่งด้วยสติและปัญญานะเพราะว่าปรุงแต่งแล้วทาให้ทุกข์อีกวิธีหนึ่งคือว่าการปรุงแต่งในทางบวกนะเพราะว่าในเมื่อปรุงแต่งทางลบมันทำให้ทุกข์ก็ลองปรุงแต่งในทางบวก ก็ทำให้เป็นสุขได้หรือทำให้ความทุกข์น้อยลงอันนี้แหละคือวิธีการใหญ่ๆนะในการที่จะรับมือเวลาเกิดภัสสะไปรับเวลามีภัสสะเกิดขึ้นนะในทางที่ไม่น่าพอใจเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือแม้ทั้งความคิดและอารมณ์นะที่เป็นลบเราก็สามารถจะทรงใจให้เป็นปกติได้เพราะ เราใช้สติในการหยุดกระบวนการปรุงแต่งหรือใช้ปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงการปรุงแต่งก็มันก็ไม่มีหรือไม่ชนะก็ใช้การปรุงแต่งในทางบวกถ้ายังไม่มีสติเท่าไหร่ปัญญายังไม่เกิดเท่าไหร่มากก็เอาก็ใช้การปรุงแต่งในทางบวกซะนะแต่ที่จริงแล้วโยนิโนสโรมนราชการแบบนี้นี่มันก็ต้องอาศัยสตินะเพราะถ้าไม่มีสติเนี่ย มันก็จะคิดแต่ในทางลบนะเพราะธรรมชาติคนเรามันคิดลบอยู่แล้วมันปรุงแต่งในทางลบอยู่แล้วถ้าไม่มีสติหนุนช่วยนี่ก็ต่อเมื่อมีสติหนุนช่วยมันถึงจะปรุงแต่งในทางบวกได้อ่าคํานี้เนพะิ่งจะทอนเนียนเอากลับครับ